หบัเป็นเคสปลาดมากท่นถ้าผมว่าเพื่อความปลอดภัยยังไงของวิทาสร์เนเนี่ยอย่าไปยุ่งท่านได้ยัแล้วก็หลวงปมัน่นท่าน assign กันไปแล้วว่าต้องมีหลวงตามหาบัวเป็นคนจัดการเรื่องนี้เพราะว่าแผ่นดินมันจะล่มถ้าหลวงตามหาบัวไม่ทำองค์อือ่นก็ทำมีองค์บางอกค์ันทั้งทาแทนท่านเพราะนคนชุดเ น, นื่องจากเนือจากประเทศไทยตรงนี้ได้รับการ assign มาแล้วว่าจะเป็นที่ ศาสนาเขาจะยืนอยู่ตรงนี้ตลอดแล้วก็ถ้าสีอานก็จะมาที่นี่ถ้าไม่ติดอะไเขามาที่โรงตืนลำปางแรนะ้นะมาแย้หกหลวงปูกสุดเดชนะัยเนี่ยเพราะคนที่ดูแลหลวงปูดสดเนะดชยก็คือพระโพธัดในหลวงนะพระโพธิชัดคือผูดดูแลกแห่งเยีเ่ยม น, นะตอนนั้นนกศึกาสิ่งแวดล้อมทำาบื่นสี่ไว้ใช่ไหมใช่ปนะ่ะสุดยอดเลเวดาเราเตรียมพรนะ้อมคนั้นท เรื่องสีชานะอีกานแสนนา น, น okay. เรื่องบวชผ้านะการบอกเลยนะาเวลาผมเห็นพระสงฆ์เดินมาเนี่ยผมเห็นแค่เป็นแค่ผู้ผู้เป็นคนใส่ผ้าเหลืองแค่นั้นเอง น, นะมันต้องพิจารณากันอีกรอบนึงแล้วว่าผ้าอาบัตดในโลกนี้เยอะไหมแต่ต้องราวังถ้าอลานหันไปแล้วโซดาไปแล้วก็ อ, อาบัดได้เพราะว่าไม่เกี่ยวอาบัตดนี่มันใช้กับผ้า ข้าพึ่งยังไม่สศนหาเท่านั้นเองแต่ท่านโาบันไปแล้วท่านเหลือสินข้อเดียวไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยต้องระวังนะท่านเคยไปปรามารท่านมันจะอันารายวิธีแก้คือต้องไปขอเข้ามาครับถ้าเคยามาไว้นะรความช่วยอย่างลุงตาหมาบัวถ้าเคยามาตอะไรไปอย่างนี้กลับบ้างไหวพิงพาแล้วก็กราบขอเข้ามาพระราตนะไัยหาลกช้างลื้อธนรลูบเกินดีได้ไปมันก็คือดีลิทุกคืดีลดีลตอดเราไม่รู้องค์ไหนเต็นใช่ไ มันคาราว่าเป็นโซดาเยอะมากุณมีจุดโนนว่าคุณจะเป็นอย่างพวกเขาคุณจะจับออกอยเยสาเรื่องดงตาหลวงพ่อโตรับฟังไวงโตให้ฟังเรื่องของไปฟังอย่างคุยกลวงพอโตนนั้นกายท่านยิ่งอมากลร่างกายท่านเจ็ดสิบปดสิบนนะสมมตินะมีวันหนึ่งท่านก็ไปกับลูิเวจะเลลูกศิษย์ผมนะมเป็นตกลางพ่โตอะถายไปเสร็จแล้วมันก็เลยเคียงนะ คนแก่เนีเจ็ดสิกป่าเนี่ยไม่ได้กิน ไ, ไ, ไ, ไม่ได้กินเลยเลยเนี่ยหิวหวยไหอันเนี้ยกายอยากกินและแต่จิตเน่ยไม่เกี่ยวก็ เ, เลยถามลูกศิษย์ว่าเอ้ยเลยเพนยังนะเลยแล้วใช่ไหมหลวงตาท่บอกโอเคเมื่อกี้ตอนเทนโค้งไหนวะไอ้ลูกศึกย์มก็ชี้ไปโคง้งนู้นหลวงตาก็อบอกมึงพาไปโคง้งนูนเดี๋ยวคุณจะฉันโคง้งน้นได้ยาบ้าที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมาปรามาท่านว่าเฮ้ยหลวงตาทำไมเป็นเช่นนี้ แต่คนที่ปฏิบัติธรรมมาถึงรู้เข้าใจเรื่องจิตสติความคิดแล้วคําตอบที่ได้ก็คือโอเคต้องถามว่ากายอยากกินหรือจิตอยากกินถ้านอายุขนาดนี้ท่านกินเพื่ออะไรครับท่านเลยพิจารณาแล้วว่าถ้าท่านอยู่ต่อเนี่ยจะมีคนได้บุญจากท่านว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญแล้วคนที่มาใส่บาต ท, ท่านได้บุญเยอะมากท่านก็เลยอดทนอยู่ให้ท่านกายมันต้องการใช่ไหมจิตกายต้องการท่านก็เลยกินแต่ทาทุกวันไว้อย่างนี้ก็แค่วันนั้นเองที่ต้องคหายเรือกไป ยิ่งก็มีอีกวันนึงเป็นเรื่องอยู่รัชกาลที่สี่หรือห้ามจไม่ได้ละนี่มลหวงหลวงพ่อโตเข้าวังเทพเรื่องโทษของการกินเหล้าหลวงพ่อโตให้เลยจะหบอโรคิวะไอ้มึงแมวเหล้ามาสงไหนรู้สึกก็งงไงวะวงตาให้ไปกินเหล้าใช่ป่ะหลวงบอกไปเอามาสองไหนแล้วก็อธมาจะกินท่านก็เข้าไปในกุฏิท่านรักษารู้สิษว่ามึงล็อกนะแค่ใครเข้ามาเห็นกูดด ไอ้นี่ก็ลอกใส่แกเลยแล้วเดี๋ยวตีสี่นะมึงมเรียกกูกูนอดพูดด้วยตรงตาผมพอโตท่้ก็กินเหล้ากินจนกายเมาสุดขีดเลยนะจีวงจีวอนเละร้อนนังเห่อยมถอดเละตุ้มแปเลยเช้ามาลูกสิกก็รู้สิกก็ติดใจอยู่นะว่าหลวงพ่อทำไรวะมุนเช้ามาท่านก็ไปใช่ไหมเข้าไปฉันเช้าที่ในวังจะระเทศมากินเหล้าแล้วมันก็เหมือนหมาตัวหนึ่งนะร้อนนุ่มมีแต่ทุกข์ใช่ปะ แล้วกลับมารูกสิษย์ก็ยังคาใจนขผงพ่อผงพ่อกินเหล้าดี๋ยว่าแต่พลายคนธรรมดา ย, ยังผิดสินเลยหรอพ่อผมพ่อเลยบอกว่าเอา้ากูบวชเป็นพระตั้งแต่เป็นเมนเหล้าไม่เคยแดกขัยดแล้วให้กูไปสอนนึงแดกเหล้ากูาไม่กินกูก็ออสอนได้ไงละ่ะไม่ใชเหกูทำการทด อ, อยอย่างนี้นัาไม่ได้แนละ้วเพราะท่านทาไมครับคือสินอีกข้อแนละ้วเขาเรียก่อริยกันตักสิน เป็นสินของ้าลบุคคลตพอกป้าแกแยกกนเงว่าตรงกันอ่โอเคหลักของพูดก็คืออย่าเสือกเรื่องของคนอื่นใครแน่จะเป็นหายนี่ก็ช่างนะมึงเอาตัวมึเงเนี่ยคือใครก็ได้ก็ช่างนะงๆๆนะมึงทำตัวมึงก็โสดาเองเหมือนกันเดี๋ยวพอเป็นแล้วเดี๋ยวพอเข้าวงการแล้วเดี๋ยวพอเจอหน้ากันปา้าคงไม่จะรู้เองเหมือนมนุษย์ต่งดาวเอเลี่ยนเนี่ยที่กลับโลก โลกเป็นเราเจอหน้ า, า, ก, นน า, นานกันก็จน้างหัวร้อนั่งยิ้มใส่กันก็จะรู้คือสนทนาทำเนี่ยตั้งคําถามแบบแปลกๆเนี่ยแล้วตอบแบบแปลกๆแต่ว่าถูกด้ยนทะีก็รู้แนละ้วถ้าเป็สนสุนทรธรรมดาต อ, ต อ, เตอบเ น, เ, อน เ, นนเนี่ยคุณจะคุณจะตอบแบบหนึ่งจับได้เลยแต่คุณยังมันมีให้มัมีคําถามอย่างเงี้ยที่ไว้คอยไล่เช็คกันเวลารู้สึกคนไหนได้โสดาเนี่ยก็ความชัวเนี่ยทีก็ต้องไปป้าคําถามให้คุณนั่งถามมัน เช่นเช่นไหมบ้งก็เในกอะไร้ใช่ใช่ช่ของสอบอารมณ์พวกคุณเรื่อยๆผมดูวิธีสอบของพวกคุณดูวิธีคิดดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไม่ชวยแชร์ของอาจารย์มันก็คืออะไรรู้แล้วก็เล่าให้ฟังฮะเอาไปฟันก็ให้การแชร์ตรเนี้ยเหรอเราตองอว่านการที่อาจารย์าดีแค่จะเปนเรื่องของว่าคนีะ่อ เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องกันความหมายผมคือว่าถ้าถ้าคุณปฏิบัติทำจนสติคุณเต็มที่นะใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะมีปัญญาออกมาเองมันจลายเปมนว่าผมบอกตรงนี้มีแผ่นซีดีร้อมใช่ไหมพอสติพวกคุณเข้มแข็งมากขึ้นคุณเริ่มเข้าไปอ่านซีดีร้อมของคุณตรงนี้ได้ความรู้ในชาติของก่อนของคุณจะมีเป็นแสนแสนชาติมันสามารถดึงขึ้นมาทําไมครับดึงขึ้นมาใช้ได้ที่เขาเรียกกันว่าผู้รู้เป็นผู้บอก ผูรู้ใช้ผูรู้ตอบอกไปหลวงปู่หลวงพ่อบางองเนี่ยจบป .4 แต่พอคุณคุยกับท่านนะรู้ท่านแอบไปอ่านบาลีมาจากไหนท่านควักออกมาเป็นชุดชุดชุดในพระไตรปกได้เป็นชุดๆุดเลยอย่างเงี้ยแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรหลวงพ่อท่านเบยดีตระชาท่านอาจจะเป็นนักปริยัติมาแล้วท่านแม่นพระไตรปดกมากถึงเวลาท่านจะเซฟไปไฟาชาติก่อนถึงท่นเองการ อย่างหลวงพ่อกล้วยผมเนี่ยนะหลวงพ่อล้วยเนี่ยจบประมาณป .6 หรือป .7 ไม่ชัดเจนใช่ไหมคำตอบัไม่ชัดเจนแต่ท่านสร้างกุฏิของท่านนะผมว่าผู้ถาปรับไปดูยังซึมเลยท่านสามารถสารา้างสาราสร้างกุฏิวิศวะโยธาของคุณจะเป็นไปยังงงเลยหลวงพ่อทาได้ไงทุกสเต็ปเนี่ยท่านใช้เพิซีหมดเลยเว้สเต็นี้ต้องวางอันนี้ทำอันนี้่ยาเพซมทำไปให้แคนชาดหลวงพ่อกล้วยท่านเอ๊ยอยังไไวพวกเราม่งึ่งกันหมดเลยอ่ แล้วคำถามของผมก็ว่าเป็นหลวงพ่อทำได้เงั้ยผมก็ไม่เตอร์ผู้ถอดรหัสผมก็เล่าให้ฟังว่าง่ายนิดเดียวชาติก่อนท่านต้องเป็นหาปัดแน่นอนกูให้เหยียบเลยรับรองระดับหลวงพ่อที่สร้างวางมันไม่ตีวังคเลยช่างกระช่างจุติสร้างสะน้ําแกงเงี้ยจิบจ้อยมันดินของเก่าออกมาดินของเ่าแล้วคุณเชื่อไหมลูกน้องคุณนี้มันอยู่ฝ่ายเปนแทนเนสเป็นช่างชาติก่อนแน่ก็เป็นช่าง ความ่มันชอบช่างฝังใจมากอายหาไปกลายมาเป็นฝนมันก็เป็นช่างอีกมันติดมาจากชาติก่อนมันกลายเป็นแม่ไก่เวอร์จำนะแม่ไก่เวอร์ไหคนอย่างมันอะจับอะไรก็ซ่อมได้แล้วคนอย่างมันก็แปลกนะพวกเราฝ่ายผิดซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่หายแม้แค่เดินมาหายคุณเคยเจอไหมเคยเจอบ่อยไหมคล้ายๆกับที่คุณบอกเครื่องจากแม่กลัวช่างอะไม่ไอ้บางอย่างมันเนี่ยไอ้ความที่คนอย่างมันเนี่ย มันอันตรายได้หลายเหตุผลมากหลวงพี่เทวดาวขาแก้เเสื้องผู้เสียเร่อพอไอ้ช่างตัวจริงมานะเขาเจอกันเขาเขาเคลียร์กับอ้ตัวมันไม่รนะู้นะมันมีเมื่อไหร่การถ่ายทำเยอะมากมันอีมิตินึงเลยอะ่ะเล่าเรื่องอย่มิติให้คุณงเนะช่นคุณไม่เคยเห็นมาก่อนแต่โอกาสที่พวกคุณจะโดนหลอกให้เยอะคุณน่าจ่เอาเรื่องนี้มันหลอก ห, หาเงนพวกคุณ กูก็เดิหลอกเงินไปสร้างเครดิตหมดเนื้อหมดตัวพ่อแมบบ่หรือหมดเสรสร้างเครดิตในหมดเลยใช่ไหมทลายไรมกู็นหล อ, ก, ล ก, ล ก, อกหวงูหลวงพ่อองค์ไหนเนี่ยเจ๋งไม่เจ๋งไงดูง่ายๆเลยนะพี่ดูหนึ่งในหลวงเนี่ยสเสด็จไปกราท่านเนี่ยโอเคเลยมึงตามได้ในหลวงไเนี่ยเจนนะอนที่สองไม่ทะเลาะคนร อ, อ, อบวัดเลยเมื่ทอทะเลาะคนอบวัดเนี่ยเสร็จ อันที่สามชาวบ้านแถวนั้นปฏิบัติธรรมวัดนั้นด้วยถือว่าเจ๋งไหมถ้าแถวนั้นมีแต่คนต่างจังหวัดไปนะนนนแลาชาวบ้านแถวนั้นเอือน่าอากันหมดเลยก็แสดงว่ามันถกมือกันโดนหลอกั้งแแรกแล้วเพราะชาวบ้านเขาเห็นพฤติกรรมค่ะไหมชาวบ้านเขรู้สีกาคนไหนเข้าออกบุติเขารู้อันที่สามที่สี่ถ้าเจ๋งไม่เจ๋งเวลวคุณเข้าไปหาจะไม่มีตัวเสือขวางคุณเด็ดขา หลวงพ่อระดับเจ๋งๆนะถ้าคุณแค่นึกอยากเจอท่านบ่อยคั้งท่านเป็นยืนรอทีหน้าวัดเลยเอาง่ายๆหลวงพ่อคูณนะมึงอยากเจอลคูณมากมึงกหนดจิตและคนเดินชิบหายกันหลวงพ่อคอยดูแล้วกันไม่หันหน้ามาก็เดินหนามึงเลยคอยดูหลวงพ่อสุดยอดสีมือหนึ่งเนี๋ยวนี้เร็แบบเนี้ยเนื้อนาบุญเ็ดเผตะวัอนกันนะตะวันผมนอนวัดทันหลายคืนคือแรกผมไปผมลืมบอกท่าน ผมเข้าวัดผมเข้าช้าไงแม่งไปเที่ยวอยู่ในอุดรแดดแหนมเมืองทัเพลินะกับไม่ไอพวกพยาบาลมันพาเราไปเที่ยวแล้วพอเราเข้ามาครับบ่ายต่อไอสองทุ่มหมู่ป่าเนี่ยใช่ไหมแต่พอเข้าอยูวัดการมหาวัวเพราะผมเดินจงกรมนั่งภาวนาทั้งคืนนะพุทโธทั้งคืนประมาณตั้งตีหนึ่งตีสองเนี่ยงตามาก่อนตามาเลยเทวดาเข้ามาก่อนเทวดาเขานำลุงตาบัวมาเทวดากาชี้ใหญุ่ตินี้ข้าท่านุตินีุ้ชี้ไม่ให้ผมนะ เดือฟังขการคาโก็มานี่เลยมีแต่นี้้วาับอกเอ้ยาบไม่ทากันเลกันเทวดานึเทวดาเข้าใจิก็มีนะมีนเทวดาเป็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะเทวดาเข้าใจผิดก็มีเทวดาโลภได้ไโกรธได้หลงได้เทวดาก็โลภโกรธหลงได้ผมเห็นเวดพวกคุณไม่ต่าง ในเด็กเขาไม่มีกายเขาขอได้พวกคุณแค่มีเนื้อขอไม่ได้คนเทดาเขาเสกน่นเสกนี่ได้ใช่ไครับแต่เขาก็ไม่เสกข้อมือทาไม่ได้เขาก็เสกในของเขาเล่นเองเขาไม่สามารถเสกตั้งดอกไม้ต่อหน้ามึง ย, ยากยากมีทางมีคานั่งสอนอยู่พวกคุณใวัน้นั่งสอนบาองเราผมเทศเราก็อยู่กับพวกคุณนี่แหละเนี่ยบ น, บ น, บนอยตอนนี้ก็นั่นงจบนบนเงนอยู่นะเนี่ยเขาก็นั่งฟังเราด้วยเข วออัดาใสุ่ภาพเว่าเว่าของคนที่ออีเ็นี่าอะไรมันใชดจให้ทำือผมเลยเกี่ยวกับส่วเนี่ยอ๋ อ, อต้องต้องแยกให้ออกก่อนฮนะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความงมงายกับปัญญาไม่เหมือนกันจริงๆแล้วไปเหยียดนี่มันไม่ได้อะไรนอกจากอะไรนะ psychology right? mm hmm. ใช่ไหมว mm hmm. พ่ปัญญาท่านหลวงพ่อปัญญาท่านจะมาแนวแบบไม่ให้เรามงมไงเลยจะตัดเรื่องเทวดาตัดเรื่องบทสวดบาลีออกถ้าจะเป็นผ้าพ้าแบบสมัยใหม่ mm hmm. ถ้ามองในแง่ของ learning society แล้วเนี่ย mm hmm. เขากำหนดกันไม่เรียบร้อยแล้วว่าหัวข้่อองค์นี้ยสอนแนวนี้เพื่อจะเก็บคนที่ชอบอารมณ์นี้หัวข้อองค์นี้จะพูดเรื่องเทวดาเรื่องจีเรื่องอะไรเพื่อเก็บคนกลุ่มนี้ หลวงพ่อองค์นี้จะปกเสกพระไรแหลรางเหยียบชนดแหลกลานเลยเนี่ย น, นะก็เพืวกคนขุมนี้ท่าเราเราสังเกตจากคนกลุ่นที่ไปที่วัดกลุ่มที่ไปวัดหลวงพ่อคูนี่ส่วนใหญให่พวกงมงายไอ้พวกนี้จะไม่ค่อยปฏิบัติธรรมแล้วก็จะไม่ค่อยแบบจะมานั่งภาวนาหรือตศาสนายพวกนี้แม่ขออย่างเดียวเครื่องรางของ ข, อง ข, องของังขอเหยียบชนดขอตูตีกะโหลกอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่หลวงพ่อคูนั่นก็โดนแนศายมาแบบเนี้ย ท่านก็ไม่ะาแกไปถามท่านจริงๆนะท่านก็หัวเราะท่านก็บอกพวกมันอยากได้กูจะไปทำไปเลยเนี้ยเดียวหลวพอ่อวัดร่อนจัดนะนทน่ารักมากเลยชาวบ้านเนี่ยมาให้ท่านปลุกเศกนะผมก็น่างงหลวงพ่อปลุกเศกไปทาไมวะหลวงพ่อหลุดไปแล้วหรืวอวะจุกวาได้ปัญญาไปแล้วผมก็ได้แซวหลวงพอ่อหลวพ่อทาให้เขาทาไมอะหลวพ่อก็บอกพ่ก็บอกว่าถ้านใหญ่ร่อสั่งว่นมีอย่างนี้อะามามาแนวปัญญาแต่ให้ชาวบ้านแถวเนี้ยมันชอบศรัทธา มีมาวันหนึ่งมันมาขอเครื่องรางของหังอาชมาไม่เคยทําเลยอาชมามันล็อๆเราล็อกาอาชมาก็เลยไปเด็ดใบไม้มาใบหนึ่งแล้วก็เลยให้พวกมันไปปรากฏว่ามันกลับไปมันถูกสวยกันมันไม่รับลายเส้นใบไม้กันโอเคมันสถูด้วยนะตั้งแต่นั้นมามันก็มาขออีกอาจารย์ก็รู้จะเด็ดอะไรก็เลยเด็ดใบไม้ให้อีกมันก็ถูกมันอีก ถ้าแต่นั้นเป็นต้นมาอาตมาฮะก็เลยไม่อยากเด็ดไปมากก็เลยทําพักเครื่องกับต้นมาอะไรขเครื่อเอาใจพวกคือคือมันต้องมองในหลายอย่างาบางทีพระองค์ท่านใช้ยุทธศาสตร์ผู้เรียนลงพุทธไปมีสามประเภทนะประเภทหนึ่งก็คือประเภทที่เมาบุญบเมาบุญประเภทที่สองคือมันไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถูกไหมครับประเภทที่สามคือมาทั้งกัญญาแล้วมันทั้งภาวนาสมาธิแล้วโจทย์ถามว่าถ้าคุณไปนั่งอยู่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งนะ คุณกล้าเลคเชอร์ออนออฟเสียงให้ฟังไหมที่ผมเท่แค่เฉพาะผู้คุณแล้วเนี่ยเห็นแม่งฉลาดเห็นเล่าฟังนะถ้าถ้าอยู่ให้ขอนแก่นผมนจะสอนอบบนิสับหนึ่งถ้าอยู่ขอนแก่นผมจะนั่งพิจารณาดูอยู่กลุ่มประเภทงม ง, งายถ้าพี่สอนเรื่องอะไรหลอกตั้แม่งมาวัดก่อนผมว่าให้มันทําบุญก่อนให้มันแล้วก็สอนมันให้ถือศิงแล้วก็สอนมันภาวนา แต่ถ้าเกิดแม่งไมมาวัดเลยนะมันอยูนอกวัดนะทำไมให้มันมาวัดได้เอาละปูตั้แงแต่เนี้ยลื่นเลยนะอานแนวนี่มีงานขนท ร, รายเข้าของวัดนั่วนันนั่นกนะ็อะไรเดี๋ยวย ก, กูจะหลอกล่อพวกมึงมาตลอดที่มึงมาวัดปู่เนียูจะเริ่มเทไปึงมเเพราะฉะั้นผมไม่มีทางที่ออกไปปาบพวกมันได้ใช่มมันก็ต้องใชุ้ทศาส์อุปทาแล้วตสร้างเครื่องรางของของังก็คือสร้างเลไรฮะสร้างเหรียสร้างเหียญเพื่ อ, อจะไปดึงผู้มันเข้ามาก่อนใช่ไ ยก็ อ, อย่างคนสบายเรื่องเหรียญให้ฟังนะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้กันดูนะนี่คือก้อนดินก้อนนะึ่งผมก็เอามาปลุกเสกปลุกเสกเสไม่มีอะไรมากอาจารย์การทาจิตงว่างแล้วอาจารย์จตั้งเสตนาว่าให้นี่เป็นพักเครื่องเดี๋ยวเอาอะไรมาได้ีวปลุกเสกให้ดูได้แต่ว่าใช้เวลาสั้นห น, น่ะฤทธิ์ไม่ค่อก็เอวาวางตู้ถูกไหแต่วว่างปลุกเสกเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะเบื้องหลังการถ่ายทำน ะ, ะพอปลุกเสกลงไปปั๊บเนี่ย เทวดาที่อยู่ทัานไหนก็นแล้วแต่นะถ้าเคยสูกพันกับข้าพเจ้าผู้ปุกเสธเนี่ยเขาก็จะมาสายคอนแทคกันว่าร ก, กรุงงจะดูแลนี้ให้นะก็จะทำอะโปรดักไอดนติฟายไอโซกราพันนะหัวข้อเจ็ดจุดห้าจุดสามนี่อด้แล้วทำโปรดักไอดีนถูกไหมไปแล้วเทวดากลุ่มนึงก็จะรู้กันจะว่าคุณเป็นเทวดานะสมมุตินะคุณเก้านี้นะ อ, อาจารย์ถูกเสตแล้วนะโอเคนะเขาได้บุญไหครับ เดเียวายก็ทำบุญได้ยากมากมีทางเดียวคือเข้ามาซีหลอกบุญเรื่อยๆเขาหากับทำบุญแล้วเขาชอบอให้ลูกศิษย์คนหนึ่งไปนะค่อยขอไ้นะเพราอนะอะไรนี่นะภาวนาแม่งก็ไม่ยอมภาวนานั่งสมาธิแม่งกไง็ไม่เอาจงกรมแม่ก็ไม่เอาเอล้าก็ยังแหลกไม่คอไม่ทํอะไให้มึงไม่ปัญญามึง น, น, น, น้อยอยู่เกิน น, นะมึงค่อยไปแล้วกันนะครับต่อมาเจ้ากรรมในเวทกนะ็คือผสมมตินะเพราะคุณก็อ่าน้อเจ้ากรรมในเวทนะ เจ้าคำในเวรเป็นเทวดาประเทศลายๆเทวดาประเภทคืออยู่ในบริเวณที่จํากัดอยู่มาวันหนึงไอ้หนุ่มคนนี้โหง่ก็มาเขตของคุณมันเคยแทงท้องคุณในชาติก่อนเสียบท้องคุณจอดถามว่าคุณเห็นหน้ามันคุณอยากเล่นแนงเคมีคุณขึ้นแล้วคุณก็จะเสียบมันแต่ก่อนจะเสียบขอโทษมันมีพลังเท้ากลัวงออกมาชัด้ๆฮันเดวดาได้ธนากรเขาจะเสียบมันแล้วนี่คุณไม่เห็นนะคุณไม่รู้เรื่องเลย เตุการแม่งอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำแตกยอมนะคุณจะยอมใช่ไหมคุณจะคุณคิ่งเไรก็รดไหมครับโอเคเกิดเป็นกดแห่งกรรมคู่หมายชาตับลายมือร้างแข้งกันต่อคู่นี้อะมึงไม่เล่นพข้อะถือว่านี่ก็เกิดคุณไม่เล่นแ่ะมึงก็ทำตามสบายถูกว่าแต่ถ้าเกิดคุณใช้ดีโกชิเอชันเทคนิคศิลปะการเจรจาต่อรองทำไงครับเห็น้่นุธศาสตร์เลยแ เป็นช้อยช้องเจาตรองคุณก็บอกเาว่าไงครับอย่าทำเลยในประเทศระหว่างประเทศได้บุญไหมอาจได้แน่นอนอย่าทำมันเลยเอาเป็นใจนี่คตอบมีสองคตอบมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อองอเก่าเชื่อเขาไมเชื่อกรไปลอาไม่เชื่อลุ้่อรู้รมึงจรู้ะรหอเล่ถ้าเขาเล่นคุณ แต่ชาตต่อไปมึงตายมึงเนเทวดาโดนว่าก็กลับมนอีกผม ว, ว่าทีนที้นี่จะเกิดนชนาคลฉลาดกว่าสุดว่าเจรจาต่อรองทุกไม่เจรจาต่อรองชนาคนก็ใช้ไฟเบอร์ออปติกบอกดอแต่ว่าอาารก็ใช้ลิปของยานใช่ไหมปึ๊บเหตุมึงนะดูก่อน <laughs> มันเนี่ย อันนี้ผงขอนการเวนกรรมเส้สนไปเลยนะอย่านะมันถูกพันนะมึงทขงขาขบวนขึ้นมานะอาตมาของมึงขบวนเหมือกันอไรนะเงีเง้ยนมืน่อเธอมาอยู่กับอาตมานะมาตามอาตมาซะเดี๋ยวจะพาให้รู้จักกันนะทศพลนี้ก็นั่งฟังอยู่แล้วใช่ไหมก็รู้จักเห็นได้เนี่ยทนศะ้าการะดาเพิ่มขึ้นตัวาสายฤทธิ์เพิ่มขึ้นนะมาปฏิบัติทำนะโอเคไหมป้าเลวออกอย่า ก, กรนร้องนั่นสักทีอัพเดตลิตรขึ้นมาเชื่อก็ทไมครับ ตอนในทีมใช่ไหก็พาไปวัดใช่ป่ะมันก็เปลีมันก็เปลี่ยนมัน่าตัวยังแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเลยตามหลักกฎแห่งกรรมฝาดได้ไหมครับโลผมก็ไม่ได้ผมพิจาจ้ามาก็ฝาไม่ได้เราสองคนก็หวบสิ่งฝีมือแล้วไม่ทำยังไงนรามันจะเล่นกันใช่ป่ะประสบข้ามไม่ได้นะคุยห้ามไม่ได้กแห่งกรรมมันแรงมาก บอกให้พระอหันต์มา่กห้าไม่อยู่ท่ามีทางเนียคุณมีโกเเดียวอาจารย์สอนผมมีเวลจะสอนเรื่องเรืองของที่จะน่นบกอ้หน่้อาจารย์เรื่องักรมานมีละามีผมก็จะมองว่าจะเข้ามาได้ไนครง ก็ผู้รู้ของคุณไงคุณจะต้องมองโจดขาดแล้วเนะี่ยตอนนี้เพาคุณเป็นคุณเป็นอะไรอะ่ะชีฟโนเลจออยหรือ Chief l e arning Officer CLO หรือเป็นคณะกรรมการคอมมิตชเนะี่ยคุณต้องนั่งวิเคราะห์เรียนคนนะผมบอกมันต้องมีขอบพอร์โตใช่ไหมผมต้องผมต้องดูสันดาลการเรียนรื่นของแต่และคนนะว่าแม่งมีเฮ็ดเย h a n g e หรื่ยัง แต่ก็มีจุดข้อเสียก็คือตัวมึงเองเนี่ยตัวมึงเนี่ยตัวมึงเนี่ยที่ไปดูชาวบ้านเ้าเนี่ยตัวมึงแม่เยอะอีกเลยฮะมึงไปมึงนี้แม่หัวร้อใส่มึงอีกถูว่านายมึงแม่นี่เนจอใหญ่เลยแม่ไม่ซัพพอร์ตมึงอีก้อหาอาทิยหาะไรแวนี้องค์กรของมึงกนกลายเป็นเรือริมอแบบจัดฉากไม่ประโยชน์เลยถูกไครับนั้นตรงนี้มัก็ต้องช่วยกันอะ ไอ้ตรงนี้ก็ต้องพร้อมพร้อมทำไมพร้อมตรงนี้ก็ต้องกระซือเฮ้ยเี่ยนให้เมืองเชงถูกป่ะพราะว่าเมืไม่ยอมเชงอ้นี้ก็ได้ระดับนึงถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบอสตรงนี้เอดีตรงนี้ไม่เชงคุณก็ต้องไปหาใครแล้วคันนี้บอกผู้บนรูปใชหมบอกเขาก็ลองอีกทีหนึ่งก็เล่นเป็นระดับระดับนงไงี้อาจารย์ทุกนต้องมีกฎกตอน้ ใช่ไงมงั้นผู้องค์กรแม่ก็เปรเซ็จทั้งโลกนี้นี่นะใช่ครบทน้ทท่านเความเือัืออะไรก็บตนี้ามตาเลาเลยงนตีาแะร้วดใช่ถูกต้องถูกต้องใช่ใจุดจุดหนึ่งท่านก็นทํากเต็มที่ส่วนใหญ่ตอนเป็นหนุ่มนะถ้าเ อ, อาหันเนี่ยท่านจะไม่ค่อยสร้างเครื่องรางของขลังเท่าไหร่ถ้า อ, อาะหันหนุ่มนะท่านสอน พาเดินตรงกรมพานั่งภาวน า, าจนกระทั่งแก่แล้วหมดแรงท่านจะหลอกพวกเราครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้านก็เก็ดในพวกฉลาดฉ ล, ลาดเขาด้าวิภานไปแล้วได้โสดาหันเยอะแยะเลยสุดท้ายท่านแก่ด้วยในเมื่อพวกมึงไม่โ ง, ง่ขนาดนี้สุดท้ายถ้าเกจิต ก, ก่อนจะลาสังขารกันหลอกให้สร้างเจดีย์แต่เมื่อปัญญาพวกเจ้าเอาไม่อยู่ทาบุญไว้ก่อนนัแ่แหละการเอาพวกมึงมาเพื่อนัพราะทานเป็นเนือนาบุญท่านรู้ว่าทำกับท่านเนี่ยเป็นประเภทอะไรฮะตัวคูนันสูง ในการทบุญ่เป so ็นอาจารย์นะตอนุ he he really. ่มๆผมก็ปองผมไม่สร้างตัวนีไม่สร้างอะไรงีสิ้นเลยหลอกพวกมึงเดินจงกมาวนาตบจิตสอง็ลมพวกมึงแย่พวกมงแรงแข็งแรงอีกใช่มทั้งสวรรค์ลกเทวดาพอขึ้นไสอนเทวดาแล้วมึงพอไหวอยู่แต่พอเริ่มแก้วกายไม่ไหวกูสอนเทวดาอย่างเดียวแล้วถึงพวกมึงมันลุกที่ทำไมฮะไม่ไหวนล้วกูจะไปไล่ตยดแบบลมัาวแล้ว อาวีกับคสร้างเจดีคุก็บอกพวกมึงว่าสร้างเจดีสร้างอุโบสถผมว่าในระหว่างการสร้างพวกมึงเป็นบุญกันหมดเลยได้ส่วนในพวกโง่โง่กระดาหลวงพ่อทาไมสร้างเจดีสมัยพระนมึงไม่เข้าใจเรื่องหลการไถ่ทำใช่ไหมที่ดีๆส่วนดเยคือร่วมวงไปด้วยจะได้ระดับบุญนะไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเกิดผมเป็นพระอรหันต์ซึ่งม็ได้ทําแก่อาทตตอนหุ่มบพระโสดาหรือพรสกัดมานะ เอาข้อคูณก็ได้หลวงพ่อคูณสร้างาพระเครื่องเนี่ยประมาณพรนาคามียังไม่เข้าอรหะนแล้วนะออมันจะสร้างาพระเครื่องเพราท่านมีฤิดแต่สังโยชน์นงที่ท่านับไม่ขาดหรือท่านมีมานะท่านติดชานติดในฤทิติดอ น, นุปชฌานพรท่านยังเป็นพระนาคามีท่านยังไม่ผ่านตรงนี้อยู่มาวันหนึ่งไม่กี่ปีมานี้หลวงพ่อคูณ อ, อยู่เลิกสร้างาพระเครื่องจะทันหันจำได้มาหมอรหันตล้วเยเลิกใช่ปะ ส่วนท่านไม่ได้สร้างบารมีหลพ่อคูณไม่สร้างบารมีในการสอนส่วนึงจัดนาหลวงพ่อคูณสร้างบารมีโยการเป็นเนื้อนาบุญนะแล้วเป็นตัวอย่างของผู้บริสุทธิ์ึุสุเมตซ่าในหลวงพ้อคูณน้นไม่เคยสร้างงพ่อคูณได้นะเห็นไหมบารมีท่านสูงะเมื่อจะเป็นแบบของพ่อคูณท่านก็ไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ราวสองสาปีเีไปจะจะจบจะบเหตุการณ์ของท่านละอดีตทห้เป็นครุ ท่าหน้านุ่มขเนี่ยมันคุดกายข้าคุดไรอะข้าคุคนสายกันใช่ไหมส่วนสายหรือปู่มั่นสายพวผมอะไรเงี้ยพญานาคคละคละคละแนวนครับชุดท่านจะมาสูงนะเจ้าที่ท่านไปกป้องศาสนาท่านจะเป็นตัวนะตัวให้คนเขาชื่นชมใช่เป็นเนื้อหนาบุญอะไรเงี้ยท่านแนวกบพ่อคูจะไม่ําให้ประเอกแบบ เปิดสำนักไม่ตันาจะไปไหนก็จะไม่ใช่ส่วนหลวตามหามัวนี่มามาสไตล์ครูเป็นมหาราชครูเป็นครามใหญ่ใช่ไหมลูกศิษย์ลูกหาเป็มไปหมดท่นพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเคยเป็นกษัตริย์เป็นอะไรนี้มาก่อนไอ้ความไม่ห่วงพันกัแผ่นดินเนี่ยต้องอยู่เป็นกำของข้าเป็นคิงเลยมาก่อนนี่ถ้าท่านสัตว์ของเราเนี่ยคือเขาต้องหนดเป็นคนละแนวคนละแนวเลยนะวิธีการสอนแบ่งโซนมันโปรเฟสต์อย่างผมเนี่ยแอดสไลดมาว่าให้อยู่กับคาราวา สอนนี่พวกจตุปัญญาตีปัญญาโตปัญญาเอกวิศววิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเาก็ให้คุจบมาทางเนี้ยเพื่อที่จะฟปคุยพวกมึงอย่างเงี้ยอย่างอย่างผมไปสอนชาวบ้านเนี่ยสอนแก่นได้ไปมเนี่ยโอไม่ต้องคิดใหม่ทาใหม่เลยนะสอนยากมันสอนยากผมต้องมาสอนพวกคุณอย่างงี้ยนะถึงจุดจุดหนึ่งผมก็เลิกหรือผมอัพเลเวลผมก็ผมก็เลิกนะว่าว่าผูก็เป็นเนื้อแก้ว ที่ที่ผมสอนทำมงทำม้ า, มาไม่ใช่เลยเหรอกเพราะว่ามันมีทางลัดด้วยทำยัง้งเลยนิ่งอรเร็วที่สุดฝรั่งแวงไม่รู้ฝรั่งมันลืมไปว่าตัวเนี้ยสติฝรั่งไม่ไม่เข้าใจว่าสติมาเนี่ยปัญญาทาไมครับเออพวกแม่ไปสร้างปัญญาด้วยการทำไมนะเล่นนิ่ไปดูหนังฟังเพลงอรือไม่เข้าแคมป์ใลยไออ่อนชาทิ่ายมึงเข้าสติตัวเนี้ยเพี่ยงเนียปัญญาแม่งมาเลย ุูดึงปัญญาจากชาติก่อนขึ้นมึงมาเขาจะยังมึงเร็วกว่าเร็วกว่าให้คุณไปเข้าไปสร้างปัญยายองฝรั่งแม่งช้าแล้วปัญยานั่นแม่งขึ้นอยู่กับบุญอีกใช่ไหครับแต่คุณมาเจริญสติมาสี่สถานสี่เนี่ยบุญมาเยอะไหมบุญมาอื้เลยคุณได้ทั้งบุญต่อมาขณะเดียวกันสติมาปัญญาเกิดคุณจะเจอสิ่งนี้เขาเรียกว่าธรรมะจักสรรธรรมะบรนดาล พอคุณปฏิบัติทำอย่างนี้น ว, ว, าาวุฒิเฮลดาเขาแฮปปี้คุณไหมโจราก็เปลี่ยนแล้วเรื่องลังการใครทำสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเหลาเอีย้ยเขาช่วยคุณแหลกรา น, น, นเรื่องเล่ย์ยแน่ๆออกกับบริษัทไปใช่ไหมเรื่องยี่เงี้ยวลูค้าแน่ควรตีมัควคุณปฏิบัติสติมามากๆครับเดี๋ยวคุณดูแลกันจะ ม, มีอะไรปรลาดๆอาจจะทำ ส่งไปดีเซ็ทั้งแผลลูกค้าบอกไม่เป็นไรหรอกนานๆทีให้กับใครเจ้ยังคุณจะรอ่รับลูกค้าไอ้เรื่องตรงนี้แม่งไม่สามารถที่จะไปง่ายๆเขาเรียกว่าธรรมะจัดสัรแต่ถ้าเกิดพวกคุณมาสไตล์เ n g น l อแบบฝรั่งล้วนๆเลยนะธรรมะมึงไม่เอาเลยนะโอเคมึงก็มาเขาเรียกว่าเมธิดฮาร์ดเมอแนที่คุณจะขึ Rare, Mike, ้นบันไดเลื่อนือคุณแม่งตีห okay, น awesome. okay, so ้าผาเอาแล้วกัน success rate แม่งต่เคล็ดลับตรงนี้เนี่ย ไพวกนั้นแม่ยังไม่รู้พวกไหนพวกที่ทำเอลอี่อื่นยังไม่รู้เนี่ยลองดูดันคำน้าไมมาปัญญาก็ไม่เกิดใช่ไหครับโอกาวไม่ น, าน่าเมื่อเจ็ดปีก่อนนี่สอนใบเบิ้ลอยู่เรียนด้วยอยู่รู้ว่าเปลี่ยนสอนนามาเนี่ยทเ ล, ลชุดนผมแฉงอย่างซักเ ล, ล่นแฉงเลยกว่าจะมาเปลี่ยนอย่างนี้ได้นะหลังต้องหักก่อนลุมหลังั ไม่งั้นป่านี้ชั่วอยู่แ่ ง, างตามสันดานงโงงุ่นที่ทวิศวะแม่งสอนมาคือแหลรแตดเล่าคูนานาลีทาชีพีลาบัตธรรมะไปไกลไกลตีกอล์ฟันน่งใช่ป่ะเป็นพวกไ อ, อ้บ้ากอช่วยครับแอดสงล้อเลื่อนไปกับสนิตงงงโดยที่ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมกก แ, แม่งกดแห่งกรรมแม่งมีวิธีบรรทุกพวกนี้มีแต่ด้วยสันดาน Le ื r อนนิ่งของผมสันดานเลื่อนฮาวทูเลื่ทำไงครับ ผมนั่งคิดอย่างนี้ผมบอกนใะช้ร Assessment เนื่องจากผมวิชาเอกของผมคือ a l รนีแอนาลิซิ s เวลามีเรื่องแตกหักทิศ้ายอะไรผมได้องหารูพรอสอรเสร็จผมนั่งรูคพรอสแต่ก่อนนี้ผมจะเปลี่ยนไปพูดคุณว่าผมใจถึงพอไหม